ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนนพลนิกายเป็นมหายุาโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองจันรพระเจ้ากรุงกรัรมพูชาทิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิสฐานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่19ทัพพระยา ม, มนเทียนบาน ไต่ฝ่าทับยวน่อยทับครั้นพระยาราชโยธาได้ทราบคำให้การยวนเฉลยดังนั้นแล้วก็เข้าใจเป็นแน่ว่าทับเจ้าพระยาพระคลังซึ่งเป็นทับเรือนั้นเห็นทีจะเสียแก่ยวนแล้วกับทัพ บ, บกเจ้าพระยานครราชศรีมาและทัพพระยาราชนิกูร ทัพพระยานนครสวรรค์ทัพพระสิหราชเดโชทัพเหล่านั้นเห็นจะล่าเลิกไปหมดยังอยู่แต่ทัพวังหน้ากองเดียวเท่านี้ไม่มีทัพหนุนทัพช่วยป้องกันบ้างแต่ลำพังทัพวังหน้ากองเดียวจะต้งางทางสู้ยวนไปได้ที่ไหนได้เล่าคิดดังนี้แล้วจึงนำความทั้งสิ้น ท, ที่ทราบมาแต่ยวนเฉลยนั้น เขียนเป็นหนังสือไปเรียนแก่พระยามนเทียนบานแม่ทัพใหญ่พระยามนเทียนบานแม่ทัพใหญ่ตกใจกลัวจึงมีหนังสือสั่งกองทัพพระยาราชโยธากองหน้าให้ล่าถอยกลับลงมาโดยเร็วเสด็จพระยาราชโยธาและพระยานรง์วิชัยพระยาอภัยสงครามก็ล่าทัพถอยกลับมาในค่ําวันนั้นรีบเร่งเดินทัพมาในเวลากลางคืนเพราะเดินหงายสว่างดี เดินทับมายันรุ่งจึงถึงที่ชุมนุมทับพระยามนเทียนบานพระยามนเทียนบานจึงพูดกับพระยาราชยโยธาว่าพวกยวนเฉลยที่พระยานรงวิชัยจับมาได้หกสิบหกคนนั้นจะพามันไปในกองทับเราด้วยก็เป็นห่วงหนักต้องระวังเป็นกังวลเปล่าๆหาประโยชน์ไม่เลยให้เลือกแต่ผู้ชายที่จะกันไว้ สำหรับนำทัพเราไปโดยทางเร็วๆสักเก้าคนสิบคนเท่านั้นก็พอใช้อยู่แล้วนอกจากนั้นเป็นชายหญิงแก่ชราหรือเด็กให้ข่าเสียเถิดนายทัพนายกองก็เห็นชอบด้วยพระยาราชโยธาจึงสั่งขุนชนะภัยรีขมินกับหมื่นแก้วใจหานทลวงฟันบางหน้าให้เลือกแต่ยวนเฉลยชายชะกันไวสิบคนนอกนั้น ห้าสิบหกคนจงนําไปฆ่าเสียเดี๋ยวนี้แล้วตัดสีสษายวนห้าสิบหกคนเสียบไว้ตามรายทางที่กองทัพไทยจะเดินล่าลงไปนั้นให้เสียบสีสษายวนห่างๆกันตามทางทุกตำบลตลอดลงไปเพื่อจะให้พวกยวนที่ตามมาข้างหลังเห็นแล้วจะได้กลัวอำนาจไทยแล้วพระยามนเทียนบานจึงพูดกับพระยาพระหลวงนายทัพนายกองว่า เรายกกองทัพกลับลงไปครั้งนี้คงจะได้ยุทธนาการสู้รบกับยวนเป็นสามารถมั่นคงแน่แล้วเหมือนเราทำศึกกับยวนเป็นสองทางต้องรบทั้งข้างหน้าข้างหลังโดยกาลังรีพนและอำนาจศาสตร์ราบของเราเห็นจะสู้ยวนไม่ได้เพราะว่าเรายกทัพเลยถลํมมาในแว่นแฝ น, นแดนยวนมากแล้วจึงรู้ตัวว่าถลําเลยมาทัพเดียว จะกลับไปยังเมืองขมีนเขตแดนไทยเมื่อเรากลับไปครั้งนี้ยวนคงจะยกทัพใหญ่มาตั้งค่ายสกัดหน้าเราบ้างยกมาตามตีทัพเราข้างหลังบ้างเราจะต้องเป็นศึกขนาบอยู่ระหว่างกลางทัพยวนเป็นแน่แล้วครั้งนี้พวกเรานายไพร่จะพาชีวิตกลับไปกรุงเทพได้ก็เพราะอำนาจพระบารมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวประการหนึ่ง และความสามัคคีอุตสาหะมานะของนายทัพนายกองไพรพนประการหนึ่งจึงจะพากองทัพกลับไปหาครอบครัวยังกรุงเทพได้ฝ่ายพระยาพระหลวงนายทัพนายกองได้ทราบข้อความตามพระยามุนเทียนบานบรรยายดังนั้นแล้วก็ตกใจรัวค่าศึกยวนเป็นอันยิ่งนักแต่จำเป็นจำใจจะต้องสู้รบฝ่าฝืนตีกองทัพยวนให้แตกเป็นช่องไป พอจะได้กลับไปหาครอบครัวบ้างขันเวลาเชา้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ยกพล น, นิกายเดินทัพกลับมาตามทางเดิมเมื่อขึ้นไปนั้นขันถึงทางสามแยกแล้วพระยามนเทียนบานสั่งให้พระยารา ช, ชโยธาขุมไพรพลทหารสองพันคนยกไปเป็นกองหน้าให้เดินทัพไปทางเก่าที่ขึ้นมาสั่งพระยาสัตราริทธิรงคขุมทัพราวหัวเมือง กับไพรพลไทยหกร้อยคนให้ยกแยกทางไปข้างทิศตะวันตกเดินวกอ้อมไปบรรจบที่ท่าข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาในกองทัพหน้าพระยาราชโยธาสั่งให้พระยาสุรินทราชเสนีขุมไพร่พลห้าร้อยเป็นปีกซ้ายสั่งให้พระยาสุเรนราชเสนาขุมไพรพลห้าร้อย 500, เป็นปีกขวาสั่งให้พระยานรานุจิตรมนตรีขุมไพรพลสามร้อย เป็นกองเกียรกายสั่งให้พระยาบริรักษ์ราชาขุมไพร่พน200เป็นเจรเทัพสั่งให้พระยาอินทระวงรามันขุมไพร่พลรามัน500เป็นกองหนุนและกองคอยเหตุสืบราชการข่าวทัพข้าศึกสั่งให้พระยาณรงค์วิชัยกับพระยาอภัยสงครามขุมไพรพน 10,000 เป็นกองรังหลังครั้น พระยามนเทียนบานแม่ทัพใหญ่จัดทัพแบ่งปันหน้าที่ใหม่เสร็จแล้วก็เดินทัพมาเป็นลำดับกันทุกทัพทุกกองมาใกล้คลองแห่งหนึ่งเป็นลำแม่น้ำเก่าแต่เดี๋ยวนี้ตื้นดอนกลายเป็นคลองแต่กว้างประมาณสิบสี่สิบห้าวาขมีนำทางเรียกชื่อแม่น้ำนั้นว่าดอกทะเลจัดแปรเกสร์แพกรังแปลเป็นภาษาไทยว่า แม่น้ำเก่ากลายเป็นคลองตื้นชื่อคลองจิกครั้งนั้นกองทัพพระยาราชโยธาเป็นกองหน้าถึงใกล้ริมฝั่งคลองจิกก่อนเห็นทัพยวนมาตั้งค่ายใกล้ฝั่งคลองจิกฝ่าข้างโนนสี่ค่ายยวนคอยสกัดตีกองทัพไทยเมื่อจะข้ามคลองจิกนั้นครั้งนั้นพระยาราชโยธาได้ตั้งค่ายสีชุกลงที่ริมฝั่งคลองจิก แต่ห่างจากค่ายยวนประมาณหกสิบเส้นหรือเจ็ดสิบเส้นเศษพระยาราชโยธามีหนังสือบอกข้อราชการที่เห็นค่ายยวนแต่ยังไม่ได้รบ ก, กันบอกมาอย่างพระยามนเทียนบานพระยามนเทียนบานจึงพูดกับนายทัพนายกองว่ายวนยกทัพมาตั้งค่ายสกัดอยู่หน้าทางเราดังนี้ครั้นเราจะนิ่งช้าไว้ไม่ได้เกรงว่า ทัพยวนจะยกเพิ่มเติมมาข้างหลังเราอีกถ้ายวนยกมาเป็นทัพขนาบตีท้ายพลเราเราก็จะได้ความลำบากเป็นอันมากที่สุดจําจะต้องช่วยกันคิดตี่ายหน้าของยวนให้แตกไปสามวันให้จงได้ถ้าพวกเราตี่ขยหน้ายวนไม่แตกในสามวันแล้วพวกเราทั้งปวงต้องช่วยกันนําดินปืนครอกพวกเราให้ตายเสียทุกทักทุกกองเถออย่าให้หยวนกองหลัง มาจับเป็นพวกเราไปเป็นเฉลยได้เลยเราไม่ขอเป็นข้ายวนแล้วตายเสียดีกว่าพระยาบนเทียนบานพูดดังนั้นแล้วจึงมีหนังสือบังคับสั่งไปถึงพระยาราชโยธากองหน้าใจความว่าดังที่พูดมาแต่ต้นนั้นแล้วและสั่งให้พระยาราชโยธาเร่งกระทำการต้นข่ายยนให้แตกแต่ในสวันให้ได้แล้วให้ จะมื่นเด็กชาหัวมื่นมหาดเล็กเป็นผู้กำกับทัพตำรวจทั้งแปกกองซึ่งจะไปช่วยพระยาราชโยธายกเข้าป้นค่ายทั้งสี่ค่ายที่ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งคลองจิกนั้นสั่งสมิงจตรงในกองพระยาอินทรวงให้แบ่งไพรพลรามันสี่ร้อยคนไปตัดไม้ไผ่มาทำสะพานเรียกตเตรียมไว้ให้พร้อมแต่ในเวลากลางวันวันนี้ ครันเวลาสิบเอ็ดทุ่มค่ำวันพรุ่งนี้จะยกพลทหารเข้าก้นค่ายให้แตกสีค่ายให้จงได้สมิงเจตุรงทํทำการสะพานเรียกเสร็จตามสั่งแล้วครันเวลาสิบทุ่มกองรามันยกลงไปยืนในลำคลองจิกพวกรามันยืนสีแถวแถวละร้อยคนห่างกันคืบหนึ่งบ่าแบกเสาเป็นไม้คานสีแถวแล้วนำไม้ตรงพาดบนหลังไม้คานเป็นตอ น, ตอน ห่างสองศอกเศษแล้วนำเรียกไม้ไผ่ที่สารมวนไว้เป็นผืนๆขนมาปูบนหลังตรงเต็มไปด้วยเรียกตลอดฝั่งคลองข้างนี้จนกระทั่งคลองข้างโนนเป็นสะพานเรียกข้ามคลองได้ในชั่วโมงเดียวแล้วเสร็จเพราะคนมากถึงสี่ร้อยคนช่วยกันทําได้โดยเร็วแต่ห้ามปากเสียงไม่ให้อึง้งเพราะกลัวโยวนจะยิงปืนมาถูกคนทําการนั้นตายลงการสะพานนั้นก็จะไม่สําเร็จได้ แต่ลาคลองนั้นตื้นดอนมากคนลงยืนแช่น้ำเสมอเพียงเอวบ้างที่กลางคลองเป็นที่ลึกก็เพียงคอบ้างแต่ไม่ท่วมปากจมูกก็เป็นใช้ได้ครั้นทาสะพานเรียกให้คนทําแทนเป็นเสาต่อมอเสร็จแล้วแต่ในชั่วโมงเดียวแต่พอถึงเวลาสิบเอ็ดทุ่มพระ ย, ยาราชโยธาสั่งให้กองทัพตำรวจทั้งแปกกองแบกแตะคนละผืนเดินข้ามสะพานเรียก ไปปูทับขวากกระจับรอบค่ายยวนแบกเดินไปปูแถวหน้าพวกหนึ่งแล้วแถวหลังก็เดินบนแตะไปปูตะต่อเข้าไปทุกทีจนใกล้ค่ายยวนแต่กองอนธมาศและกองรามันและแขกจามและกองทหารหกเหล่าแปดเหล่าก็เดินตามหลังกองตำรวจที่แบกนาแตะเข้าไปปูทับขวากนั้นเป็นลำดับกันเข้าไปหนุนเนื่องกันตามเข้าไปทุกชั้นทุกพวก ไม่หยุดยอ่อทอเลยพอใกล้ข่ายยวนแล้วพวกทหารทุกๆ ก, กองก็ถืออาวุธครบมือกันทุกคนแล้วหู่ร้องขึ้นพร้อมกันวิ่งกรูกันตามเข้าไปใกล้ข่ายยวนบ้างนํำปืนหาแกลนแล่ น, ลนกศัตรูข้าศิลายิงระดมข่ายยวนทั้งสามด้านกองหลังและกองหนุนก็วิ่งกรูตามข้ามสะพานเรียกไปถึงตลิ่งพร้อมกันหมดทุกกองแล้ว บ้างยิงปืนบ้างปีนค่ายเยื่อค่ายฟันค่ายต่างๆกันทุกด้านนายทัพไทยขึ้นมาไล่ต้อนไพร่พลเข้าพร้นทุกทัพทุกกองเป็นอุดรมานหนุนเนื่องกันเข้าไปเป็นชั้นๆไม่หยุบหย่อนทั้งสี่ค่ายก็หักพังลงบ้างฝ่ายญวนในค่ายทั้งสี่นั้นรันได้ยินเสียงไทยหงร้องยกเข้ามาปรล้นค่ายดังนั้นแล้วญวนจึงจุดทุขึข้นเป็นตับๆรอบค่ายยวน ยวนเห็นผลฐานไทยวิ่งกลูกันเข้ามาจากฝ่าข้างโนนแล้วเดินข้ามคลองมาได้โดยสะดวกไม่เห็นรีพลไทยเปียกน้ำและโครเลยแล้วยวนไม่เห็นสะพานเรียกของไทยด้วยเพราะสะพานนั้นต่าอยู่ในลำคลองยวนคิดว่าเหตุใดไทยจึงวิ่งข้ามคลองน้ำมาได้ไม่เปียกเปี่ยนหรือไทยจะมีวิชาเดินมาบนน้ำได้กระมัง ยวนคิดดังนี้แล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวไม่อาจสามารถเต็มใจจะตั้งต่อสู้กับกองทัพไทยได้บ้างก็ทิ้งหน้าที่หนีเสียบ้างครั้งนั้นกองทัพไทยปีนค่ายเข้าไปได้ทุกด้านพร้อมกันทั้งสี่ค่ายไล่ฆ่าฟันแทงยิงยวนล้มตายในค่ายนอกค่ายทั้งสี่ค่ายเป็นอันมากเหลือที่จะนับจากประมาณที่เหลือตายก็แตกแหกค่ายหนีไปในดงป่าได้บ้าง กองทัพไทยจับยวนเป็นมาได้400คนเศษได้เครื่องสัพพวัตยุทธภัณฑ์ต่างๆเป็นอันมากทั้ง4ข่ายจับได้ช้างมา้าโคกระบือด้วยในวันนั้นเวลาเช้า3โมงเศษ ย, ยวนแตกหนีไปได้บ้างไทยมีชัยชนะแก่ยวนแล้วจึงได้เผาข่ายยวนเสียทั้ง4ข่ายการที่ตามปราบปรามพวกยวนนั้นยังไม่เรียบร้อยเป็นปกติดี ในเวลาเย็นวันที่ตี่ข้ายยวนได้แล้วพอมื่นรุดถือหนังสือพระยาณรงค์วิชัยนายกองทับหลังมาเรียนพระยามนเทียนบานใจความว่ายวนทับใหญ่ตั้งข่ายสิบสี่ข่ายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำน้อยนั้นบัดนี้ยวนยกกรีพลช้างมาลงแพไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำน้อยจะเดินทับมาตามตีกองทับไทยเป็นแน่ เมื่อขุนพิบูร์พักดีไปเสืบทัพยวนกลับมาแต่แม่น้ำน้อยเห็นทัพยวนกำลังข้ามแม่น้ำอยู่ได้ส่งตัวขุนพิบูรณ์พักดีผู้ไปเห็นทัพยวนนั้นมาให้พระยามนเทียนบานพระยามนเทียนบานได้ทราบข่าวศึกยวนยกมาเป็นทัพกระนาบข้างหลังดังนั้นแล้วคิดดูเป็นศึกใหญ่จะไว้ใจแก่ราชการไม่ได้จึงสั่งพระยายโยธา ให้พายวนเฉลย426คนที่จับได้แต่ค่ายริมคองจิตนั้นจงพาเดินล่วงหน้าไปก่อนแต่ให้แต่งไทยเป็นนายคุมไปให้แข็งแรงอย่าให้หยวน426คนมีเครื่องศารวุธถือได้แล้วพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายก็คลี่คลายขยายขบวนทัพเดินเป็นลำดับกันล่า ถ, ถอยไปโดยเร็ว อ่านามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบเก้าทัพพระยา ม, มนเทียนบานตีฝ่าค่า ย, ยวนถอยทัพกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป